จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจบุ้สมศัสุิทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบแปดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาศึกษามาสร้างคุณสมบัติของการเป็นพุทธศาสนิกชนเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการเป็นชาวพุทธถ้าเป็นชาวพุทธแท้ตายไปนี้ไปสวรรค์ไปสู่สุกติไปสู่พระนิพพานอย่างแน่นอนถ้าเป็นพุทธแบบ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ไม่มีค น, นสมบัติของการเป็นชาวพวุทธก็ไม่แน่และคิดว่าคงจะไม่ได้ไปสุคติดังนั้นถ้าอยากจะไปสวรรค์ไปสุคติในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็อยากจะมีความร่วมเย็ยนเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้า ผู้ที่อยากจะเป็นชาวพุทธจำเป็นจะต้องสร้างคุณสมบัติสี่ประการด้วยกันคือ 1. ต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระ ส, สงฆ์ 2. ต้องมีจาคะคือการเสียสละ 3. ต้องมีศีลคือไม่ทำบาปและส ต้องมีปัญญาถ้ามีคนสมบัติทั้ง4ประการนี้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุดมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในขณะดที่มีชีวิตอยู่และเวลาตายไปจะได้ไปเกิดในสุคติไปเป็นเทพเป็นพรม เป็นพระอาริยะบุนคคลหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายไม่ต้องตกนรกเพราะสถานที่เหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำนั่นเองเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อน หรืจะไปถวายก็ถวายข้างหลังได้ข้างหน้านี้เขากําลังนี่คือลักษณะของชาวพุทธที่ไม่มีคุณสมบัติไม่มีปัญญาไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้ว่าเวลาควรจะทําอะไรอย่างไร mm hmm. เขากําลังงั่งฝั่งเทศฝั่นทันกันอยู่ mm hmm. ก็อยากจะถวายกับข้าวกับปลาอาหาร ก็เดินเข้ามาถวายโดยที่ไม่รู้ว่ากำลังไปบกวนการแสดงธรรมและการทงธรรมของผู้นี่คือลักษณะของการขาดปัญญาถ้ามีปัญญาต้องรู้จากการละเทศรู้เวลารู้ว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรอย่างไร ถ้าไม่รู้ก็เป็นเหมือนกับสุนัขดีๆนี่สุนัขเขาจะไม่รู้อะไรควรไม่ควรเขาอยากจะกินอะไรถ้าเขาขึ้นมาบนนี้ได้เขาก็จะขึ้นมาคาบอาหารที่วางอยู่บนสาลานี้ไปลักษณะแบบเดียวกันคือไม่มีปัญญาปัญญาของมนุษย์นี่มีอยู่เจ็ดข้อด้วยกัน คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณและรู้ยารเทศถ้ารู้ทั้งทั้งหมดนี้แล้วจะไม่มีการกระทาอะไรที่จะเกิดความเสียหายให้กับตนเองและแก่พู้่เมื่อ <Yeah. S 1> ไม่มีการกระทาความเสียหาย ก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือด <c oughs> เนื้อร้อนใจตามมาดังนั้นขอให้เราพยายามมาสร้างมาศึกษาให้รู้ว่าการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างข้อที่หนึ่งให้มีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อ <c oughs> เชื่ออะไร เชื่อใครให้เชื่อพระพุทธเจา้าเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าและเชื่อพระอาหารหันตสาวกว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่แท้จริงของพวกเราเพราะพระพุทธเจา้าและพระอาหารหันตสาวกท่านได้ไปถึงสถานที่ที่พวกเราอยากจะไปกัน แต่ยังไปไม่ถึงกันประถานที่นั่นก็คือพระนิพพานการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายที่พวกเรายังมีกันอยู่ทุกวันนี้พวกเรายังทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มาตั้งแต่เกิดและจะเป็นอย่างนี้ไปจนวันตายและหลังจากตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาทุกข์ใหม่ เพราะเราไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากชีวิตของพวกเรานั่นเองแต่ถ้าเรามีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสาวกมาสั่งมาสอนแล้วพวกเรานําเมาคำสอนไปประพฤติไปปฏิบัติรับรองได้ว่าเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วฉันใดถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลฉันนั้นไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาเรื่องของเหตุของผลนี้เป็นของตายตัวไม่ว่าจะเวลาผ่านไปกี่ล้านปี เหตุผลนี้ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนไปเหมือนกับเหตุผลของการปลูกต้นไม้เพื่อได้รับผลละม้จะทำในสมัยไหนยุคไหนถ้ามีการปลูกต้นไม้ย่อมมีผลต้นไม้ออกมาชั้นใดการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวีนว่าตายก่อได้ เราก็ต้องปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลเช่นกันไม่ได้หมายความว่าจะปฏิบัติได้เพียงในสมัยที่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นคนสอนหลังจากพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราจะไม่สามารถปฏิบัติได้ พ่อพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าคำสอนคือพุอทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าต่อไปหลังนั้นพวกเราจะเหมือนกับได้อยู่กับพระพุทธเจ้าได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้นี้ได้มีการ จารึกเอาไว้และมีการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกับได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัตินั้นเองดังนั้น เราต้องศึกษาคำสอนคำสอนก็คือเป็นชาวพุทธต้องมีการเสียสละเรียกว่าจาคะไม่ให้อะไม่ให้เห็นแก่ตัวมากจนเกินไปเห็นพอประมาณคือเห็นเพื่อรักษาชีวิตของตนให้อยู่ได้แต่จะไม่ให้ไปเดือดร้อนสร้างการเดือดรียนให้แก่ผู้อ แล้วถ้ามีอะไรที่จะสามารถแบ่งปันช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นได้ก็ควรที่จะกระทำจกค้าก็คือการเสียสละเพราะว่าของทุกอย่างที่เราหามาได้ในโลกนี้นับตั้งแต่สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆและร่างกายของพวกเรา ในที่สุดเราก็ต้องเสียไปหมดเพราะว่าของเหล่านี้ไม่ได้เป็นของของเราเป็นเหมือนของยืมเขามาเมื่อยืมเขามาถึงเวลาก็ต้องคืนเขาไปถ้าเราไม่รู้จักเสียสละเวลาต้องคืนเขาไปต้องสละนี้จะทุกข์ทรมานใจนั่นเองแต่ถ้าเรารู้ว่า ของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของเราเรามาตัวเปล่าๆและเวลาเราไปเราก็เอาตัวเปล่าๆไปตัวเปล่าๆนี้คือใครก็คือใจใจนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายใจมาได้ร่างกายขณะที่ตั้งท้องอ ย, อยู่ขณะที่อยู่ในท้องของแม่ใจก็เข้าไปจับจองร่างกาย แล้วพอคลอดออกมาก็เลยคิดว่าร่างกายเป็นใจแต่ความจริงใจไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกต่างๆผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเพื่อจะได้นำความสุขมาให้แก่ใจแต่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ใจก็ไม่สามารถเอาร่างกายไปติดไปได้สิ่งที่ใจเอาไปได้เพื่อคือการกระทําที่ดีหรือไม่ดีที่เรียกว่าบุญหรือบาปและผลของบุญกับบาปที่จะติดไปกับใจถ้ามีการเสียสละมีบางให้แก่ผู้อื่นสละประโยชน์สละความสุขที่เรามี มากเกินความจำเป็นสละให้แก่ผู้ก็จะทำให้เรามีบุญติดตัวไปมีความสุขติดตัวไปถ้าเราไม่สละเราก็จะไม่มีบุญติดตัวไปนี่คือสิ่งที่เราต้องหัดทำกันคือเสียสละอย่าหวงของที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีหรือต้องเก็บเอาไว้ ตายไปก็เอาไปไม่ได้ถ้าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญก็จะไม่มีบุญติดตัวไปตายไปก็เอาของต่างๆไปไม่ได้อย่าเป็นปู่โสมเฝ้าสมบัติมีสมบัติมากแต่ไม่เอามาทำประโยชน์ตายไปก็ไปตัวเปล่าๆตายไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตอย่างที่มีเรื่องใน พระไตรปิฎกเล่าไว้ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนที่ตันดีที่เหลียวมีสมบัติมากน้อยเพียงไรนี้จะไม่ให้ใครเลยแม้แต่ลูกแต่หลานก็ไม่ให้แล้วก็เอาไปซ่อนไม่บอกใครไว้ด้วยเอาไปฝังดินไว้แล้วก็ทำบาปเวลาตายไป เนื่องจากมีความผูกพันกับทรัพย์สมบัติและเนื่องจากไปทำบาปไม่รักษาศีลตายไปก็กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนพระพุทธเจ้าทรงเสด็จเดินผ่านมาเห็นสุนัขตัวนี้ก็ทรงรู้ว่าเป็นเศรษฐีเจ้าของบ้านแต่เนื่องจากไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีล แต่มีความห่วงใยสมบัติเวลาอยากจะอยู่ใกล้สมบัติก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขพระเจ้าก็บอกลูกของเศรษฐีคนนี้ว่าเศรษฐีตัวนี้เป็นพ่อของลวกเธอนะเขากลับมาเกิดเพราะเขาคิดถึงสมบัติของเขาพยายามเลี้ยงหมาตัวนี้ไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวหมาตัวนี้จะพาไปขุดคุ้ยสมบัติที่พ่อของลวกเธอ เอาไปฝังเอาไว้แล้วไม่นานหมาตัวนั้นก็ไปขุดเพราะหมาเป็นผู้ฝังเองตอนที่เป็นมนุษย์แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วแต่ก็ยังรู้ว่าสมบัติอยู่ที่ไหนก็ไปขุดสมบัติพวกลูกๆก็เลยได้สมบัติมรดกมาพกลูกๆก็เลยมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้า แล้วก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนก็คือเสียสละแบ่งปันรักษาศีลแล้วก็ศึกษาธรรมะให้รู้เหตุรู้ผลของความทุกข์และความสุขตา่างๆตรงนี้ตายไปก็จะได้ไปสู่สุคตินี่คือตัวอย่างของการที่ไม่แบ่งปันตายไปจะไม่มีบุญ ถ้าแบ่งปันแล้วรักษาศี้ตายไปจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ดีกว่าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาขุดเอาสมบัติของตนอย่างที่พระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระเวชสันดรก็เสียสละมีทรัพย์สมบัติมีอะไรต่างๆมากมายใครต้องการอะไรก็ส่งสละให้ปนปแล้วก็ส่งรักษาศีลปฏิบัติธรรม พอตายไปท่านก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วหลังจากลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถ์มีความร่ำรวยยิ่งกว่าเดิม น, นี่คือเรื่องของการเสียสละและการรักษาศีลที่เป็นคุณสมบัติข้อที่สามของการเป็นพุทธศาสนิกชน มีศรัทธาแล้วต้องมีจาคะมีการเสียสละแล้วก็ต้องมีการรักษาศีลคือไม่ทำบาปถ้าทำบาปตายไปไปสุขติไม่ได้จะต้องไปรับผลบาปในอบายก่อนต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกแต่ถ้าไม่ทำบาปได้ตายไปจะได้ไปสู่สุขติไปเกิดเป็น ดานี่คือคุณสมบัติข้อที่สาก็คือมีศีลห้าศีลห้าก็คือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยมดแมลงมนุษย์หรืออะไรทั้ น, นตัวเขาเล็กแต่ใจเขาเท่ากันใจของเขากับใจของเราเหมือนกันมีความรักตัวกลัวตายเหมือนกัน มีความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเหมือนกันถ้าเราไปฆ่าเขาเขาก็จะต้องจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทเราดังนั้นอย่าไปฆ่าอย่าไปคิดว่าตัวเล็กๆไม่เป็นปัญหาอะไรตัวเล็กตัวใหญ่นี้มีใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นี้มีความหนักเบาไม่เท่ากันถ้าฆ่า สิ่งที่มีคุณประโยชน์มากบาปก็จะหนักมากเช่นฆ่าพระอาหารหันต์ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ถือว่าเป็นบาปหนักมากเพราะอะไรเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นคนดีเป็นคนมีคุณประโยชน์มากทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้มากถ้าไปทำลายไปฆ่าเขาก็จะเป็นหนักเป็นบาปที่หนักมาก ถ้าไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี้บาปจะเบาวกว่าข้าวัวฆ่าควายเพราะวัวควายเขาก็ทําประโยชน์ให้กับเราช่วยถ่ายทำไล่ไถนาให้กับเราแต่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี้เขาไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนอกจากกินข้าวของเราไปดังนั้นบาปจึงมีน้ําหนักที่ต่างกันไปมีหนักมีเบาแต่ จะหนักหรือจะเบาก็ไม่ควรจะทำเพราะมีโทษตามมาเพราะจะต้องไปเกิดในอบายเพียงแต่ว่าจะตกอยู่ในอบายนานหรือไม่นานเท่านั้นถ้าบาปหนักก็อยู่นานและอยู่ลึกเช่น อ, อ, อยู่ในนรกถ้าเบาก็เป็นเดรัจฉานถ้ากลางกลางก็เป็นเปรตนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการ ไม่รักษาศีไม่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาหมองบาปทั้งห้าข้อนี้ก็มีความหนักเบาต่างกันบาปที่หนักที่สุดก็คือการฆ่ารองลงมาก็คือการลักทรัพย์รองลงมาก็คือการประพฤติผิดประเวณีรองลงมาก็คือการโกหกหลอกลวง และรองลงมาก็คือการดื่มสุรายาเมานี่คือการกระทำบาป ท, ที่เราไม่ควรจะกระทำกันเพราะจะทําให้เรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจและตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายไม่ได้ไปสุขคติไม่ได้ไปสู่พระนิพพานได้กอสุดท้ายที่เราต้องมีก็คือปัญญา ปัญญาก็คืออย่างที่บอกไว้ต้องมีเหตุมีผลรู้เหตุรู้ผลจะคิดจะพูดจะทำอะไรให้คิดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยเหตุด้วยผลทำด้วยเหตุด้วยผลอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำด้วยอารมณ์เช่นอย่าพูดอย่าคิดอย่าทำด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความกลัวด้วยความหลงเพราะจะทาให้เกิด ความเสียหายตามมาแต่ถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลจะไม่เกิดเพราะจะคิดว่าถ้าทำแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาก็จะไม่ทำเช่นถ้าจะอยากได้เงินก็จะไม่ไปลักทรัพย์ถ้าไปลักทรัพย์แล้วเงินทองที่ได้มาได้ไม่คุ้มเสียได้เงินทองมาใช้แต่ตายไปจะต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าไม่ ไม่ไปลักไม่ไปขโมยไปหาทำ ม, มาหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริญตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาวายนี่คือปัญญาจะคิดจะพูดจะทำอะไรให้คิดด้วยเหตุด้วยผลคิดว่าถ้าเราคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วผลอะไรจะตามมาความสุขหรือความทุกข์จะตามมาความจเจริญหรือความเสื่อมจะตามมา มันเป็นผลเกิดจากการคิดการพูดการกระทำของเราอย่างวันนี้พวกเราคิดดีพูดดีทำดีคิดว่าจะมาทำบุญคิดว่าจะมาฟังเทศฟังธรรมคิดว่าจะมารักษาศีลอันนี้เป็นการคิดที่ดีพอคิดแล้วเราก็พูดชวนเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมกันมาทำกันแล้วเราก็ออกเดินทางจากบ้าน มาวัดกันมาทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเราก็จะได้ความสุขใจจิตใจของเราก็สูงขึ้นดีขึ้นพัฒนาจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรไปตามลำดับนี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์เพราะเวลาเกิดอารมณ์แล้วมักจะไปทำบาป ก, กันอยากจะได้อะไร ถ้าไม่สามารถได้โดยวิธีที่ไม่ทำบาป ก, ก็จะไปทำบาปแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นโทษของการทำบาปเราก็จะไม่กล้าทำกันนี่คือคุณสมบัติสี่ประการที่ชาวพุทธเราควรที่จะสร้างกันขึ้นมาด้วยการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมคือหนึ่งให้มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 2. ให้มีจากะการเสียสละแบ่งปัน 3. ให้มีศีลไม่ทำบาปและสี่ให้มีปัญญาอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์อย่าทำด้วยอคติคือทำด้วยความโลภความกลัวความความโกรธหรือความหงลงเรารับรองได้ว่าชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้าไปตามลําดับจนไปถึงพระนิพพานในที่สุดได้อย่างแน่นอนเพราะนี่คือพระพุทธศาสนาที่เป็นเหตุที่จะทําให้เราได้ไปกันนั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาสัตว์โลกจะไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานจังได้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมา